วันนี้เป็นวันพระวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าให้ชาวพุทธเราหยุดทำงานเพื่อจะได้มาวัดมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นของที่มีคุณค่ามากเป็นวิชาความรู้ที่ดีกว่าวิชาความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ ต่อให้เรียนจบมหาวิทยาลัยได้ปริญญาเอกก็สู้มาเรียนได้วิชาความรู้ทางาศาสนาไม่ได้เพราะความรู้ทางโลกนั้นไม่สามารถที่จะทําให้ผู้ที่เรียนรู้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อะไรว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเป็นด็อกเตอร์ยังต้องร้องห่มร้องไห้ เศ้าโศกเสียใจด็อกเตอร์บางคนก็ยังไปติดคุกติดตารางได้เพราะไม่มีธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามีความคําสอนของพระพุทธเจ้ามีวิชาความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงมาสอนจะสะจะไม่ต้องไปติดคุกติดตารางจะไม่ต้องร้อ ง, องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจจะไม่ทุกข์กับอะไร ยากดีมีจนก็ไม่ทุกข์จะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้จะสอนให้เรารู้จักทำใจทำใจให้เฉยไม่วุ่นวายไม่ยินดียินร้ายไปกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าไปยินดีแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียใจ พสิ่งที่เรายินดีเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปหมดไปเวลาจากกันก็เสียอกเสียใจถ้าไปยินร้ายไม่พอใจก็ทุกข์ใจไปเจอสิ่งที่เราไม่ชอบก็ทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้จักทําใจให้เฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายเจออะไรก็ไม่เดือดร้อนดีขนาดไหน เขาจะดีอย่างไรเขาจากเราเราก็ไม่เสียใจเขาจะร้ายอย่างไรเราก็อยู่กับเขาได้คนที่มีธรรมะจะสามารถสอนให้ใจนี้อยู่เฉยใจอยู่เฉยๆนี่ก็เป็นเหมือนก้อนหินก้อนหินนี่มันไม่มีอะไรที่จะม า, าขยับมันได้หินก้อนใหญ่ ไม่เหมือนกับใบไม้ใบไม้นี่ลมปิวลมพัดมาเบาๆมันก็เปลวไปแล้ว<อ>ใจของผู้ที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะนี่จะเป็นเหมือนใบไม้อ่อนไหวง่ายพออะไรมาสัมผัสมากระทบหน่อยก็เปลวเหมือนลมเหมือนเหมือนลมพัดเพราะไม่หนักนั่นเหมือนก้อนหินถ้ามีธรรมะแล้วจะรู้จักทาใจให้หนักนั่น ใจหนักแน่นแล้วก็จะไม่มีอะไรมาขย่าใจได้ไม่มีอะไรที่จะมาข่มขวัญไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจสั่นได้นี่คือประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบทรงค้นพบวิธีที่จะทำให้ใจหนักแน่นเป็นเหมือนก้อนหินไม่อ่อนไหวไม่เบาไม่ใจเบาเหมือนใบไม้ พอมีอารมณ์อะไรมาสัมผัสหน่อยก็เปิวเห็นอะไรไม่ชอบหนอยก็เสียใจเห็นอะไรที่รักต้องเสียต้องเสียสิ่งที่รักไปก็เสียใจเพราะเราไม่เคยฝึกใจสอนใจให้อยู่เฉยชอบให้ใจไปกับสิ่งที่ได้รับรู้ได้สัมผัส แล้วก็ดีใจไปกับสิ่งที่ได้รับรู้หรือเสียใจไปกับสิ่งที่ได้รับรู้ไม่รู้จักทำใจให้เฉยๆวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าให้ญาติโยมที่มีภารกิจมากมายภารกิจเลี้ยงดูปากท้องภารกิจหาความสุขทางตาหูจมูกหินกาย ให้หยุดสักหนึ่งวันให้มาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติเพื่อที่จะได้ทำใจให้นิ่งให้สงบแล้วจะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขแบบยาเสพติด อวามสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนี่เป็นเหมือนยาเสพติดเสพแล้วก็ติดต้องเสพอยู่เรื่อ ย, เ, อยเวลาไม่ได้เสพก็บุดหงิดลำคาญใจเศร้าสร้อยง่อยเหงาซึมเศร้าวเวลาอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวก็อึด อ, จจอัดใจหงุดกิดลำคาญใจ เวลาเที่ยวแล้วก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกลับมาบ้านความดีใจก็หมดความอยากจะเที่ยวก็โผล่ขึ้นมาใหม่ต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขพอไม่ได้เที่ยวก็ทุกันนี่คือความสุขที่พวกเราหากันอยู่อระุทธเจาบอกนี่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขปลอมให้เราลองมาหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่จะ ทำให้เรามีความสุขไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่เราสามารถมีได้ตลอดเวลาไม่เหมือนกับความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยงกายที่บางเวลาเราก็มีบางเวลาเราก็ไม่มีเพราะว่าเวลาสิ่งที่เราให้ความสุขกับเรามันก็ไม่แน่นอนมันก็ไปไปมามา เช่นเรามีความสุขกับคนนั้นคนนี้เวลาเขามาเราก็มีความสุขเวลาเขาไปเราก็มีความทุกข์จะให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆก็ไม่ได้หรืออยู่ไปเรื่อยๆด้วยกันเดี๋ยวก็เขาก็เปลี่ยนไปคอยให้ความสุขกับเราเขาก็กลับมาให้ความทุกข์กับเราได้อีกนี่คือความสุขทางทางโลกทางตาหูจมูกดิ้นกายเป็นความสุขที่ผันปวน แปลผันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ไม่ไม่คงเส้นคงวาไม่ได้ให้ความสุขกับเราไปตลอดนี่แต่ความสุขที่พระเจ้าสอนให้เรามาหากันนี่จะเป็นความสุขที่ทำให้เรามีความสุขได้ตลอดเวลาเป็นความสุขที่ที่แท้แน่นอนที่ไม่ผันแปรไม่เปลี่ยนแปลง เกิดการความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบทำใจให้เป็นหินเนี่ยทำใจให้เฉยถ้าใจเฉยใจจะมีความสุขเราทำให้ใจไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ต้องไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะถ้าไปหาก็จะต้องทุกข์เพราะว่าบางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้ บางทีได้มาแล้วเดี๋ยวก็จากเราไปอบางทีได้มาแล้วก็เปลี่ยนไปอนี่คือความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกเอ่นกายมันเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขที่จะต้องสลับกับความทุกข์แต่ความสุขที่มาทําใจให้เรานิ่งเฉยนี่จะเป็นความสุขที่ อยู่กับเราไปเรื่อยๆเพราะเราไม่ต้องใช้อะไรมากเหมือนกับความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสต้องใช้ตาหูจมูกนิ้วกายถ้าขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สามารถหาได้ถ้ามีตาแต่ไม่มีรูปให้ดูมันก็ไม่มีความสุข ถ้ามีรูปแต่ต า, ตาไม่ดีมองไม่เห็นก็ไม่มีความสุขทางรูปทางตาได้แต่ความสุขทางใจนี้เราสามารถมีได้ตลอดเวลาเพราะสิ่งที่ทําให้ใจเราสงบนั้นมันอยู่ในใจเราตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่รู้จักใช้มันเท่านั้นเองตัวที่จะทําให้ใจเรานิ่งเฉยตามใจให้เรามีความสุขตลอดเวลาก็คือสตินี่เอง ถ้าเรามีสติควบคุมใจให้อยู่เฉยๆได้ใจเราก็จะมีความสุขใจเราก็จะไม่ต้องไปหาความสุขที่ไม่แน่นอนไม่ต้องไปหาความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์นี่คือวันพระวันหยุดทํางานหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วให้มาหาความสุขทางใจ หาความสุขจากการปฏิบัติตอนต้นก็ต้องมาศึกษาก่อนว่าวิธีที่จะทำให้เกิดความสุขทางใจนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกถ้าอยากจะหาความสุขทางใจก็ต้องหยุดหาความสุขทางร่างกายหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายวิธีหยุดก็คือให้ถือศีลแปดศีลแปดนี้เป็นวิธีที่จะทาให้เรา ไม่ต้องไปหาไม่ไม่ไปหาความสุขทางร่างกายศีลข้อสามก็เปลี่ยนจากการเมมาเป็นอรร ม, มจาริยาการเมนี่ยังหาความสุขทางร่างกายได้อยู่ถ้าสือศีลห้านี้ยังนอนกับแฟนได้แต่ห้ามนอนกับคนที่ไม่ใช่เป็นแฟนถ้านอนกับแฟนนอนได้แต่ห้ามไปนอนกับคนที่ไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นสามีไม่ได้เป็นภรรยา พอจะทำให้บ้านแตกสาแลขาดนะถ้ามีสามีมีภรรยาแล้วล้วไปนอนกับคนอื่นนี่เดี๋ยวสามีภรรยารู้เขา้าเขาก็จะเสียใจเขาก็จะโกรธอาจจะถึงกับฆ่ากันก็ได้เวลาเสียใจมากๆก็ถึงกับฆ่ากันได้ไม่ฆ่ากันก็อย่ากันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่รักกันแล้ว ถ้ารักกันจริงก็ต้องรักกันคนเดียวไปรักคนอื่นนี่ก็แสดงว่าไม่รักกันจริงนี่คือศีลข้อสามสำหรับถ้าถือศีลห้าก็ยังยังทำกิจกรรมนี้ได้อยู่ยังหาความสุขจากการหลับนอนกับแฟนได้อยู่แต่ถ้าต้องการที่จะมาหาความสุขอีกแบบหนึ่งก็ต้องเลือกหาความสุขทางร่างกายต้องไม่ ร่วมหลับนอนกับใครสินข้อสิอนแปดนี้สินข้อที่สามก็จะเปลี่ยนเป็นอ布ัรรมจริยาจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็จะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปรับประทานหนเดียวก็พอหนสองหนก็พอไม่ต้องรับประทานมากไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว เพราะว่าร่างกายต้องได้อาหารพอเพียงแล้วอยู่ได้ไม่ตายไม่เดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนคือใจที่ชอบหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางรับประทานอาหารพอไม่ได้รับประทานอาหารก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าอยากจะหาความสุขที่ดีกว่าก็ต้องยอมทนทุกข์ ต้องมาถือศีนแปต้องไม่มาหาความสุขจากการรับประทานอาหารแล้วก็ไม่หาความสุขจากการดูการฟังมหรสย บ, บันเทิงอะไรต่างๆไม่หาความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเ ส, สวยความงามต่างๆให้กับร่างกาย เ้าก็ไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากเกินมากจนเกินไปให้นอนแบบพักผ่อนร่างกายก็พอถ้านอนบนฟูกหนาะๆนะเวลานอนมันจะสบายมันจะไม่อยากลุกเวลาร่างกานอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาได้พักผ่อนพอแต่มันเตียงมันสบายก็เลยไม่อยากจะลุกก็จะนอนต่ออีก ส3ามชั่วโมงสามี่ชั่วโมงถ้านอนบนพื้นแข็งแข็งนี่มันจะพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายมันนอนแล้วเจ็บหลังพื้นมันแข็งก็จะได้ลุกขึ้นมาทำใจให้สงบนี่คือหน้าที่ของศีลแปดมีไว้เพื่อกันไม่ให้ใจไป หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้เอาเวลาที่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มาหาความสุขทางใจคือมาทําใจให้สงบนี่คือสิ่งที่ต้องมีในวันพระถ้าอยากจะมีความสุขอีกรูปแบบหนึง่งที่ดีกว่าความสุขที่คอยหาอยู่ ก็ต้องมาถือศีลแปดกันเราก็พอมีศีลแปแล้วเราก็จะมีเวลาว่างหลังจากกินอาหารเที่ยงไปแล้วก็ไม่รู้จะทําไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่มีอะไรให้ทำนอกจากมาเจริญสติมาฝึกสติมาสร้างสติสร้างสติก็ด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรม วิธีจะให้มีสติก็ต้องให้ใจคิดอยู่เรื่องเดียวอย่าไปคิดอยู่กับหลายเรื่องเช่นให้คิดอยู่คำบากรรมพุทธโธพุทธโธไปหรือคิดดูร่างกายของเราดูร่างกายเต้าดูร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกาลังทำอะไรอยู่กำลังยืนก็อยู่กับการยืนของร่างกายกำลังเดินก็อยู่กับการเดินของร่างกาย กำลังอาบน้ำกำลังล้างหน้ากำลังแปรงฟันก็ให้อยู่ให้เฝ้าดูอยู่กับการทำงานของร่างกายอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปคิดนะคิดไปทำไมคิดแล้วไม่สงบคิดแล้ววุ่นวายใจคิดแล้วเดี๋ยวก็เกิดความมิตกกังวลขึ้นมาถ้าไม่คิดใจก็จะเบาจะว่างจะเย็นจะสบาย แ้วถ้านั่งเฉยๆไม่คิดใจก็จะสงบนิ่งแล้วจะได้มีความสุขใจก็จะมีอุเบกขาใจจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใจจะเป็นเหมือนก้อนหินพอใจเป็นก้อนหินแล้วสบายต่อไปใครพูดอะไรก็ไม่เดือดร้อนใครจะชมก็ไม่ได้ดีใจใครจะด่าก็ไม่เสียใจใครจะ อ, อะไรมาให้ก็ไม่ดีใจ ใครจะแย่งอะไรไปก็ไม่เสียใจใจไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ต้องมีสิ่งต่างๆใจมีความสุขจากการที่ไม่มีความรักชังกลัวหลงมีความสุขจากการที่ใจนิ่งเฉยความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความนิ่งเฉยของใจการจะนิ่งเฉยได้ก็ต้องมีสติคอยคุมใจ สตินี้เป็นเหมือนเชือกใจนี่เหมือนใจที่ไม่นิ่งนี่เหมือนลิงวิธีที่จะทำให้มันบิงมันนิ่งต้องทำยังไงถ้าไม่มีเชือกไปจับมันมามัดมันก็ไม่นิ่งมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาเล่นปีนป่ายไปทำอะไรต่างๆของมันก็เห็นนิงมันบิงมันนั่งสมาธิไหมบิงมันนั่งสมาธิไม่ได้อมันต้องปีนป่ายมันต้องกระโดดกระโจน ถ้าอยากให้มันนิ่งก็ไปหาเชือกมาจับมันมาลัดมัดไว้กับเสามัดไว้กับต้นไม้มันก็จะดิ้นไม่ได้พอมันดิ้นไม่ได้เดี๋ยวมันหมดแรงมันก็มันก็เฉยออใจเราก็เหมือนกันคิดอยู่ทั้งวันดิ้นอยู่ทั้งวันคิดตั้งแต่เตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็คิดแล้วคิดถึงกคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้ คิดไปจนถึงเวลาหลับเนะี่ยแล้วความคิดก็พาอารมณ์ต่างๆมาอารมณ์ดีบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างวิตกกังวลบ้างหงุดหงิดบ้างอยากบ้างไม่โกรธบ้างมีมีมาทุกแบบทุกรูปแบบถ้าปล่อยให้คิดแล้วเดี๋ยวก็มีอารมณ์ต่างๆตามมาอารมณ์ไม่ดีก็ทําให้เราไม่สบายใจเศร้าใจ แต่ถ้าเราควบคุมความคิดได้อารมณ์ต่างๆก็จะหายไปหมดใจจะว่างเหมือนตอนนี้ตอนที่เรานั่งฟังธรรมตอนนี้ใจเราจะว่างไม่มีอารมณ์เพราะตอนนี้เราไม่ได้ไปคิดถึงใครเราฟังธรรมนะการฟังธรรมก็เป็นวิธีฝึกสติอีกแบบหนึ่งถ้าตั้งใจฟังธรรมไปเรื่อยๆใจก็จะว่างใจจะไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่สู้การฝึกสติด้วยพุโทโธไม่ได้หรือด้วยการเฝ้าดูร่างกายของเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่ต้องใช้คนอื่นมาถ้าเราฟังธรรมเราก็ต้องรอให้มีการฟังเทศก่อนถึงเราถึงจะได้มีได้ฟังธรรมแต่การฟังธรรมก็เป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้เรียนรู้ว่าเราต้องทาอะไรถึงจะให ใจเรามีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ถ้าเราไม่มีไม่มาเรียนรู้ไม่มาฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะไม่มีวันรู้เพราะถ้าเราไปเรียนที่อื่นเขาจะไม่สอนไปเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ต, ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเขาจะไม่สอนวิธีทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งทําใจให้มีความสุขจึงต้องมาวัดกัน แต่สมัยนี้มีอุปสรรคเรื่องของการมาวัดเพราะวันพระมักจะไม่ตรงกับวันหยุดทํางานไม่เหมือนสมัยโบราณสมัยโบราณนี้เราจะหยุดทํางานวันพระกันเดี๋ยวนี้พัฒนาประเทศเราพัฒนาก้าวหน้าไปติดต่อกับต่างชาติต่างประเทศก็เลยต้องไปเอาวันหยุดของเขามาเป็นวันหยุด ถ้าเราหยุดวันที่เขาทางานเราก็ไม่ไม่ได้ติดต่อกับเขาเราทำงานวันที่เขาหยุดเราก็ไม่ติดติดต่อเขาไม่ได้เราก็เลยต้องเปลี่ยนวันหยุดของเรามาให้ตรงกับวันหยุดของเขาเขาหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ของเรามันหยุดวันพระวันโกนซึ่งมันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนมันไม่เป็นวันเดียวกันทุกอาทิตย์อย่างวันนี้วันพระวันอาทิตย์นี้ก็ตรงกับวันจันทร์ เดี๋ยวเอกักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เลื่อนไปเป็นวันหังคาทุกสองอาทิตย์มันก็จะเลื่อนไปทีนะเพราะเราใช้ปฏิทินแบบโบราณปฏิทินคือเราเรียกว่าจันท ร, รคติเราใช้ดวงจันทร์เป็นตัววัดวันวั ด, ด้วยการขึ้นแรงของดวงจันทร์พระจันทร์นี้จะมีขึ้นแล้วก็จะมีแรงขึ้นก็คือมันจะสว่างขึ้นเรื่อย แต่กระช่างสว่างเต็มดวงเพราะสว่างเต็มดวงก็สิบห้าวันขึ้นสิบห้าค่ำหลังจากนั้นอีกสิบห้าวันมันก็จะแรงแล้วก็จะมืดพอมืดแล้วมันก็จะขึ้นใหม่ก็เลยเป็นวันขึ้นแรงวันพระของเราก็เลยเอากําหนดวันขึ้นแรงวันวันขึ้นแรงแปดค่ําในวันนี้วันเป็นวันขึ้นแปดค่า แล้วก็เดี๋ยวอีกเจ็ดวันก็มีมีขึ้นแลมอีกสิบสิบห้าขึ้นสิบห้าค่ำแลมสิบห้า่แล้วนานๆก็จะไปเจอแลมสิบสี่ค่ำเพราะพระจันทร์นี้มันไม่ได้เต็มดวงครบสามสิบวันมันมันเต็มดวงยี่สิบเก้าวันครึ่งมันก็เลยต้องแบ่งทดมันออกไปวันหนึ่งทุกสองเดือนทดออกไปวันหนึ่ง แทนที่จะเป็นสิบห้าคำก็เป็นสิบสี่ค่ำแล้วมันก็เคลื่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นวันจันเดี๋ยวก็เป็นวันอังคารเป็นวันพุธวันพระหัสวันพระวันหยุดสมัยนี้เราเลยไม่ได้ใช้วันวันพระมาเป็นวันหยุดเพราะมันจะติดต่อกับต่างประเทศไม่ได้เช่นวันนี้ถ้าเราหยุดทํางานต่างประเทศก็ทํางานนีเราจะติดต่อการค้าขายกับเขาก็ไม่ได้ ว่าเราไม่ทํางานวันนี้เขาทํางานอย่างนี้ชาวพุทธเราเลยเสียวันพระไปไม่มีวันพระใช่แล้วพอาเราเดี๋ยวนี้มีวันหยุดคือวันเสาร์วันอาทิตย์แทนเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวันพระของเรามาเป็นวันหยุดของเราอย่าไปถือตามโบราณให้ถือวันวันหยุดทำงานของเราเป็นวันพระแทน เช่นเราหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ต้องเอาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้เป็นวันพระเป็นวันที่เราหยุดทํากิจกรรมทางโลกแล้วเรามาอยู่วัดกันมามาวัดกันจะมาอยู่ทั้งวันก็ได้หรือจะมาอยู่แค่ช่วงเช้ามาทําบุญใส่บาตรแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมหรือถ้าเรามีเวลามากเราอยากจะอยู่วัดก็อยู่วัดทั้งวันอยู่ค้างคืนหนึ่งคืน ถือศีลแปดนอนในโบสถ์เพราะตามวัดนี้จะไม่มีที่พักให้ญาติโยมอยู่กันพวกญาติโยมที่จะมาอยู่วัดเขาเลยไปนอนในโบสถ์กันไปนอนในโบสถ์ไปปฏิบัติในโบสถ์ไปฟังเทศฟังธรรมในโบสถ์เขาเลยเรียกศีลอุโบสถอุโบสถก็คือโบสถ์ถือศีลแปดในโบสถ์ก็เลยเรียกว่าเป็นศีลอุโบสถแต่ความจริงมันก็ศีลแปดเหมือนกัน เองแต่ว่าเปลี่ยนชื่อมันหน่อยให้มันเท่หน่อยว่าเป็นศีลอุโบสถมันก็ศีลแปดพอไปรักษาในอุโบสถแต่การรักษาศีลแปดนี่รักษาได้ทุกที่ทุกแห่งในโบสถ์ก็ได้นอกโบสถ์ก็ได้ในวัดก็ได้นอกวัดก็ได้เพราะศีลนี่มันไม่ได้อยู่ที่สถานที่มันอยู่ที่กายวาจาใจกายวาจาใจอ ย, อยู่ที่ไหนก็รักษาศีลแปดได้ ตแต่เราต้องต้องมีความตั้งใจจะรักษาถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะไม่รักษาเช่นวันนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะรักษาสีแต่กันเนื้อก็จะไม่ได้รักษาดังจั้นา ก, การจะรักษาสีได้นี้ต้องมีความตั้งใจก่อนอแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสมาทานกับพร ะ, ะ, ะการสมาทานกับพระนี่ความจริงแล้วก็คือการไปศึกษา ไปเรียนรู้ว่าศีลแปดมีอะไรบ้างศีลแปดศีลห้ามีอะไรบ้างแล้วก็พอรู้แล้วว่ า, ามีแปดข้อมีอย่างนี้อย่างนี้ก็สมาทานว่าตั้งใจว่าต่อไปนี้วันนี้ทั้งวันทั้งคืนจะรักษาศีลแปดข้อนี้อถ้าไม่มีพระเราก็สมาทานเองก็ได้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าศีลแปดมีอะไรเราก็ บอกตัวเราเมงว่าวันนี้เราจะถือศีแลแปดนั่นนะวันนี้เราจะไม่กินข้าวเย็นนะเราจะไม่นอนหลับนอนกับแฟนเราจะไม่ไปเที่ยวไม่ไปงานเลี้ยงงานแต่งงานงานอะไรต่างๆงานสังคมทั้งหลายเราจะไม่ไปเราจะเก็บตัวอยู่ในบ้านหรืออยู่ในวัดไม่ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเพราะเราไม่ได้ไปงาน นี่ก็คือการถือศีลแปดนะพอเราถือศีลแปดเราก็จะมีเวลาว่างเพราะไม่รู้จะทำอะไรนะไม่มีรายจใา้เราทำนะเราก็จะได้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาสร้างสติกันฝึกสติกันต้องสร้างสติกันตอนนี้เรามีสติน้อยถ้าเป็นเชือกก็เป็นแบบเชือกกล้วยก็เห็นเชือกกล้วยไหมสมัยก่อนสมัยก่อนนี้เขาเอาเอาต้นกล้วยนี้มาทาเป็นเชือก พอที่จะผูกมัดอะไรได้แต่ไม่แข็งแรงถ้ากระตุกแรงๆมันก็ขาดได้ทำไมนี่เรามีเชือกไนล่อนเชือกไนล่อนนี่มันแข็งกระตุกยัางไงาก็ไม่มีวันขาดแตสติของพวกเราตอนนี้เป็นเหมือนเชือกกล้วยไม่สามารถที่จะดึงใจให้อยู่กับที่ได้นานๆดึงได้ปป๊บเดียวก็ไปละให้พุดโธได้สองสามคำก็ไปละไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ละ แต่ถ้าเราพยายามสู้กับมันไปเรื่อยๆมันไปคิดเราก็เดินกลับมาพุโทโธมันไปคิดเราก็เดินกลับมาพุโทโธต่อไปสติเราก็จะมีกำลังมากขึ้นแล้วต่อไปเราก็จะสามารถหยุดความคิดได้ที่หยุดไม่ได้ตอนนี้เพราะเชือกมันขาดอยู่เลยพอมันคิดพอมันกระตุกไปคิดหน่อยก็ขาดนะแต่ถ้าเรามันฝึก ฝึกสติเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการท่องพุทโธพุทโธไปหรือว่าคอยเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากําลังทําอะไรอยู่ดูอยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องอื่นเจ้าเวลาแปลงฟันก็ให้มันแปลงฟันอย่างเดียวอย่าแปลงฟันไปแล้วก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติใจไม่ได้อยู่กับที่ใจมันไปใจมันไปคิดถ้าใจไม่คิดนี่แหละถึงจะเรียวกว่ามีสติ ถ้ามีสติแล้วก็จะทำให้ใจไม่คิดได้ทำให้ใจนิ่งได้ทำให้ใจเฉยได้พอใจเฉยแล้วใจก็จะเป็นเหมือนก้อนหินจะไม่มีอะไรมาเขย่าใจได้ไม่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆนี้จะมาทำให้ใจเราสัน่นทำให้ใจเราหวั่นไหวได้นี่คือสิ่งที่เราไม่มีกันตอนนี้ก็คือสติเราจึงต้องมาสร้างสติกัน วิธีที่จะสร้างสติที่ดีที่สุดก็คือต้องอยู่คนเดียวต้องไม่มีอะไรมารบกวนสมาธิรบกวนการตั้งสติเพราะถ้าเราต้องอยู่กับคนนันคนนี้เดี๋ยวเจอเขาก็ต้องคิดต้องคุยกับเขาและต้องทำกิจกรรมร่วมกับเขามันก็จะทำให้ไม่มีสติแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนี่เราจะสามารถควบคุมให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวได้ ให้อยู่กับพุโทโธได้ให้อยู่กับร่างกายได้ถ้ามันอยู่อย่างนี้แล้วเวลานั่งเฉยๆนั่งหลับตาจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งจะหยุดคิดจะนิ่งจะสงบจะแข็งเหมือนก้อนหินจะไม่มีอะไรมาสามารถเขย่าใจได้ใจจะมีความสุขมากจากความที่จากความนิ่งของใจนี้นี่คือสมาธิ ถ้าใจนิ่งเต็มที่เราก็เรียกว่าสมาธิสมาธินี่ก็มีสองแบบนิ่งชั่วคราวกับนิ่งนานๆนิ่งเดี๋ยวเดียวเรียกว่าคณิกะสมาธิถ้านิ่งนานๆก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิได้เป็นเป็นนาทีไปสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่ง บางคนถ้าเก่งๆนี้บางทีเข้าสมาธิได้เป็นวันเลยเข้าฌานได้เป็นวันใจนิ่งได้เป็นวันเป็นเจ็ดวันหรือสีชีพรยเขาไปอยู่ในป่าคนเดียวสติเขามีกําลังมากเขาสามารถควบคุมจิตให้นิ่งได้เป็นเวลาอันยาวนานถ้ามี ส, ม, สมาธิแบบนี้แล้วใจก็จะมีพลังจะสู้กับอารมณ์ต่างๆได้ อาระไรจะมาเขย่าใจไม่ได้ความรักความชังความกลัวความหลงอะไรนี้จะมาเขย่าใจไม่ได้ใจจะไม่ใจจะเฉยไม่เดือดร้อนเห็นอะไรก็ไม่รักเห็นอะไรก็ไม่ชังไม่กลัวไม่หลงได้ยินอะไรก็ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใจที่นิ่งเฉยไม่ไม่มีอคติไม่มีรักชังกลัวหลงนี้ เป็นใจที่มีความสุขมากและความสุขนี้เราสามารถรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเพราะเรามีสติที่จะคอยควบคุมให้มันนิ่งเฉยได้ตลอดเวลานี่แหละคือความสุขที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบความสุขที่จะทำให้เรานี้ไม่ต้องไปเพึ่งความสุขที่เป็นความทุกข์กันความสุขที่ตอนนี้พวกเราไปหากั น, นี้มันเป็นความทุกข์ พราะมันเป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดไปมันก็ปล่อยให้เราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเศร้าสร้อยเหงาเหงาทาให้เราต้องดิ้นหามันอยู่เรื่อยๆดิ้นไปเท่าไหร่ก็ไม่พอได้มาแล้วก็หมดหามาได้กี่ครั้งก็หมดหาไปจนวันตายเลยพอตายก็กลับมาหาใหม่อีกเพราะว่าใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ความอยากมันก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากหาความสุขมันก็อยู่ที่ใจมันก็เลยดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็มาหาความสุขแบบเก่าอีกแล้วก็มาทุกข์กับมันเวลาที่หาไม่ได้เวลาแก่ก็หาความสุขไม่ได้ เ, เวลาเจ็บไา้ได้ป่วยก็หาไม่ได้เวลาตายก็หาไม่ได้ เราจึงกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆการเวียนว่ายตายเกิดของเราเนี่ก็เกิดจากความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมกูกนิ้นกายนี้เองอยากจะหาความสุขทางตาหูจมกูกนิ้นกายก็ต้องมีร่างกายร่างกายนี้มันมีตามีหูมีจมกูกมีนิ้นมีร่างกายให้เราได้ใช้เป็นเครื่องมือเสพความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสกัน มีตาก็จะได้ดูรูปดูรูปแล้วก็เกิดความสุขมาดูหนังฟังเพลงมีหูก็ได้ฟังเพลงมีลิ้นก็ได้ลิ้มรสอาหารได้ดมกลิ่นของอาหารพอได้นมกลิ่นได้ลิ้มรสก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่เวลาไม่ได้ลิ้มรส ด, ดมกลิ่นก็เกิดความหงุดหียดตำคามใจขึ้นมานี่เกิด ความสุขปลอมความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ให้มาหาความสุขที่จะไม่กลายเป็นความทุกข์จะเป็นความสุขไปอย่างเดียวก็คือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้นิ่งให้เฉยให้เป็นสมาธิให้ใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอันนี้เราไม่ต้องไปบังคับมันหมายถึงว่าความรักความชังความไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี้เราไปบังคับมันไม่ได้ มันต้องเป็นธรรมชาติมันจะเกิดจากการที่ที่เราทำให้ใจนิ่งเฉยไม่คิดไม่อยากถ้าคิดเราอยากนี่จะนิ่งเฉยไม่ได้พอคิดถึงกาแฟาอยากจะดืมกาแฟานี่ก็อยู่เฉยเฉยไม่ได้นะถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟามือไม้ก็สั่นใจก็สั่นจะหายสั่นก็ต่อเมื่อได้ไปดื่มกาแฟเดื๋มวนะเดี๋ยวก็หายสั่นชั่วคราว แล้วเดี๋ยวก็สั่นขึ้นมาอีกเดี๋ยวอยากจะดื่มขึ้นมาอีกก็สั่นอีกนี่ใจของเราสั่นเพราะความอยากความคิดนี่เองถ้าไม่ไปคิดถึงกาแฟมันก็จะไม่อยากมันก็จะไม่สั่นมันก็จะอยู่เฉยๆได้นี่คือเรื่องที่เรามาวัดกันในวันพระมาเพื่อมาศึกษาวิธีหาความสุขที่ถูกต้อง ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาทุกวันนี้เราหาความสุขที่มีความทุกข์กันร้องโหยร้องไห้กันเวลาแต่งงานกันก็มีความสุขแต่งงานใหม่ๆก็สุขเดี๋ยวอยู่ไปสักพักแล้วก็ทะเลาะกันนะทะเลาะกันตีกันกลายเป็นข้อสอบทายให้เขาซ้อมไปแล้วก็ร้องหหยร้องไห้กันทุกตีกันแล้วในที่สุยก็จะต้องอยาล้างกันไป นี่คือความสุขที่เราหากันเป็นแบบนี้แต่ยาแล้วก็ไม่เข็ดเดี๋ยวก็ไปมีใหม่อีกคิดว่าคนใหม่จะดีกว่าคนเก่ามันก็เหมือนกันแหะดีอาจจะดีกว่าวคนคนค น, คนเก่าไม่ดีซ้อมเราคนใหม่รักเราแต่ดีไม่ดีเดี๋ยวเกิดกเกิดอุบัติเหตุตายจากเราไปก็เสียใจเดี๋ยวเกิดเขาเป็นอะไรไปก็เสียใจเขาดีเวลาเขาจากเราเราก็เสียใจ เขาไม่ดีอยู่กับเขาก็ทุกข์ใจเลยไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไงดีมันทุกข์ทั้งสองอย่างเจอคนดีก็ทุกแบบหนึง่งเจอคนไม่ดีก็ทุกอีกแบบหนึง่งเจอคนไม่ดีก็ต้องมีเรื่องมีราวกันอยู่เรื่อยทุกข์กันอยู่เรเื่อยพอไปเจอคนดีเอาดีวันดีคืนดีเกิดไม่สบายตายไปหลิกจากเราไปอันนี้ก็สรุปแล้วก็มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแหละ ไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนเพราะเขาก็ไม่เที่ยงเขาเกิดมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาที่เราต้องจากคนดีๆเราก็เสียใจไม่อยากจากเขาไปแต่เราก็ต้องจากเพราะร่างกายของเรามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ดัางนั้นอย่าไปหาความสุขทางร่างกายเลยเพราะมันจะต้องทำให้เราต้องทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ถาวรมาหาความสุขที่เที่ยงดีกว่าคือความสุขทางใจใจเราเที่ยงใจเราไม่มีวันตายใจเราไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บแต่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะเรามีความอยากจะมีร่างกายก็เลยต้องม่หาร่างกาย ได้ร่างกายมาทุกครั้งก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายไปทุกครั้งที่เรายัางต้องมีร่างกายเพราะเรายัางต้องเรายัางอยากหาความสุขแบบมีร่างกายอยู่อยากมีความสุขทางตาหูจมกูกลิ้งกายอยู่วันพระนี้เรามาเลิกเลิกหาความสุขทางร่างกายกันเลิกหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายด้วยการถือศีลแปดกัน ถึงสิ้นแปแล้วเราก็มาหาความสุขทางใจด้วยการมาฝึกสติมาพุโทโธพุโทโธกันเดินจงกรมก็พุโทโธนั่งสมาธิก็พุโทโธถ้าใจอยู่กับพุโทโธได้ไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวใจก็จะสงบหรือถ้าเราไม่ใช้พุโทโธก็เฝ้าดูร่างกายตอนนี้ร่างกายกําลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกาลังนั่งก็รู้ว่ากลังนั่งกําลังรับประทานอาหารก็กาลังอยู่กับรับประทานอาหารไป ให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับเรื่องของร่างกายไปเวลานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกแล้วเดี๋ยวใจก็จะรวมเป็นหนึ่งใจก็จะนิ่งจะสงบแล้วก็จะมีความสุขถ้าเราฝึกบ่อยๆต่อไปเราก็จะทำนานต่อไปนี้เราไม่ต้องบังคับมันตอนใหม่ๆนี่ต้องบังคับเพราะมันชอบคิดแต่ถ้าเรามีสติมีกำลังมากต่อไปเราจะ บังคับให้มันหยุดคิดเอามันหยุดคิดแล้วต่อไปมันก็จะไม่อยากคิดเพราะมันเห็นว่าไม่คิดสบายกว่าคิดไม่คิดแล้วมีความสุขมากกว่าคิดไม่รู้จะคิดไปทําไมคิดไปให้ปวดหัวเปล่าๆสู้ไม่คิดดีกว่าสู้ไม่อยากดีกว่าอยากแล้วก็วุ่นวายอยากแล้วก็ทรมานใจเวลาอยากแล้วไม่ได้นี่ใจมันกระสับกระสายกระวนกระวาย มันก ว, กว่ามันจะหายกระสับกระสายมันต้องได้สิ่งที่อยากก่อนแต่พอได้มาเราก็หายเดียวเดียวเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกเพราะความสุขที่ได้จากสิ่งที่เราได้มามันหมดไปเลยต้องหาสิ่งใหม่มาทำให้เราเกิดความสุขอีกดื่มกาแฟถ้วย น, นี้เกิดความสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หมดไปพอกาแฟหมดไปความสุขที่ได้จากกาแฟก็หมดไป เดี๋ยวก็เกิดความอยากจะดื่มกาแฟขึ้นมาใหม่อยากจะได้ความสุขอีกก็ต้องไปหามาดื่มอีกถ้าหามาได้ถ้าเวลาหาได้ยังหาไม่ได้ก็มือไม้ก็สั่นใจก็สั่นหามาได้ก็หายสั่นชั่วคราวแล้วต้องมีวันหนึ่งที่หาไม่ได้กาแฟอาจจะหมดไม่มีขายหรือว่าร่างกายดื่มไม่ได้ไม่สบายอันนี้ก็จะทำให้ใจสั่น ใจหดเกรจใจซึมเศร้าขึ้นมาเพราะไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้นี่คือกระโทษของการหาความสุขทางร่างกายจะทำให้เราจะต้องเจอามทุกข์อยู่เรื่อยๆแล้วพอร่างกายตายไปก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่มาเริ่มต้นใหม่เวลาเราจะโตขึ้นมาด้า น, นี้เหนื่อยมเนี่ยเป็นเดทาลกคานออกมาจากท้องแม่ ต้องร้องหมร้องไห้ทุกวันเห็นเด็กมันไม่ร้องไห้มันมีมั้งเดี๋ยวมันก็ร้องปวดท้องร้องปวดหัวร้องปวดฉี่ร้องหิวข้าวร้องหิวน้ําเพราะมันกินเองไม่ได้ก็ต้องร้องบอกคนเลี้ยงถ้าไม่บอกคนเลี้ยงก็ไม่รู้บางทีคนเลี้ยงก็ลืมลืมให้น้ําลืมให้อาหารต้องต้องร้องก่อนีึงจรู้อ๋อหิวเนี่ยทุกมาออกมาจากท้องแม่ก็ทุกกันละ แล้วกว่าจะโตวกว่าจะหากินเองได้นี่ยก็ต้องไปเรียนหนังสือไปทําอะไรต่างๆอีกเยอะแยะพอจะทําอะไรได้ก็ทําได้ไม่กี่ปี ก, แ ก, กแ็แก่แล้วแก่แล้วเจ็บอีกแล้วเดี๋ยวก็ตายอีกแล้วให้มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นนะการมาเกิดแต่ไม่ต้องมาเกิดถ้าเราเรายังไม่เลือกหาความสุขทางร่างกาย แล้วเราก็ไม่รู้วิธีหาความสุขทางร่างกายว่าเป็นทุกข์และไม่รู้วิธีที่จะหยุดการหาความสุขทางร่างกายว่าหยุดอย่างไรถ้าโลกนี้ไม่มีพระพุทธศาสนานี้จะไม่มีใครรู้หรอกทุกคนก็จะหาความสุขทางร่างกายไม่ว่าศาสนาไหนเขาก็สอนให้หาความสุขทางร่างกายกันไม่มีศาสนาไหนที่สอนให้เลิกความอยากหาความสุขทางร่างกายกัน ต้องกลับมาเกิดกันนานๆจึงจะมามีาศาสนาพุทธสักครั้งหนึ่งการที่ได้มาเจอาศาสนาพุทธนี่จึงเป็นการยากที่ยิ่งกว่าการถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกถ้าเราได้มาเจอาศาสนาพุทธนี่ถือว่าเราโชคดีมากมากกว่าการได้ถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งและรางวัลที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาก็มีคุณค่ามากกว่าเงินรางวัลของรางวัลที่หนึ่งอีก งินรางวัลที่หนึ่งก็ยังทําให้เราทุกข์อยู่นั่นนะเดี๋ยวก็หมดพอได้เงินมาก็เที่ยวกันกินกันซื้อข้าวซื้อของกันเดี๋ยวไม่นานเงินก็หมดอีกพอเงินหมดก็ทุกข์อีกรางวัลที่หนึ่งถึงแม้จะให้ความสุขขนาดไหนมันก็กลายเป็นความทุกข์ได้ต่อไปแต่รางวัลของพระพุทธศาสนานี้จะทําให้เราไม่มีความทุกข์เลยจะทําให้เรามีแต่ความสุขไปตลอด จะทำให้เราไม่ต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปเนี่ <c oughs> ชาตินี้พวกเราถือว่าโชคดีมากถือว่าเราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึงนะ่งแล้วดังนั้นเราควรจะไปขึ้นรางวัลเวลาเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งเราเก็บลอตเตอรี่ไว้เฉยๆเปล่าเราต้องไปขึ้นรางวัลใช่ัหมไปที่สำนักงานสลากกินแบง่งเอาลอตเตอรี่ไปให้เขา แล้วเขาก็จะจ่ายรางวัลให้กับเราเราถูกกัตเตรี่รางวัลที่หนึ่งของพ่อพุทธศาสนาแล้วเราก็ต้องไปขึ้นรางวัลวิธีขึ้นรางวัลก็คือต้องไปศึกษาวิธีขึ้นรางวัลว่าขึ้นอย่างไรไปฟังเทศฟังธรรมเราก็จะรู้ว่าวิธีขึ้นรางวัลที่หนึ่งของศาสนาพุทธก็คือการไปทำใจให้สงบไปปฏิบัติธรรมไปรักษาสิ่งแปด ไปนั่งสมาธิไปเจริญสติไปเจริญ ป, ปัญญาสตินี้จะหยุดใจได้ชั่วคราวแต่ปัญญานี้จะหยุดได้ถาวรจะหยุดความอยากได้ถาวรต้องหยุดด้วยปัญญาหยุดด้วยสตินี้หยุดเพียงแต่ดึงมันไว้ห้ามมันไว้แต่มันยังไม่ตายความอยากยังไม่ตายได้ความอยากตายต้องใช้ปัญญาปัญญาจะสอนให้เราเห็นว่า การไปทำตามความอยากนี้ไม่ได้ไปไปหาความสุขแต่ไปหาความทุกข์เพราะสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวก่อนที่คิดว่ามีแฟนแล้วมีความสุขแล้วเป็นยังไงพอได้แฟนมาเราถึงจะรู้ว่ามันไม่สุขอย่างที่คิดน้ำตาตกในใช่ไหมร้องห่มเ้องไห้อยู่เรื่อยๆสามีไม่เอาใจหน่อย ไปไม่เอาใจหน่อยก็เสียใจนะสามีไปเอาใจคนอื่นก็เสียใจนะ น, นี่คือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันเราต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นต้องคิดให้มันรอบครอบเวลาเราอยากอะไรแล้วเราจะเห็นแต่ส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีเราจะมองไม่เห็นเราต้องมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีดีมีไม่ดีมาด้วยกันมันไม่มีอะไรที่จะดีไปอย่างเดียว ไม่มีอะไรที่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดมีวันเปลี่ยนแปลงถ้าเห็นการเสื่อมเห็นการเปลี่ยนแปลงมันก็จะได้ทำว่าไม่เอาดีกว่าถ้าได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวต้องกลายเป็นกระสอบทรายให้เขาให้เขามาซ้อมนี่เราจะเอาไหมไม่เคยคิดว่าแฟนจะกล้าซ้อมเราใช่ไหมไม่เคยคิดว่าแฟนกล้าจะจะกล้าตบตีเราก็เห็นเขาดีกับเราเวลาเขามาจีบเราเนี่โอยเา กราบแทบเท้าเราอยู่ทุกวันแล้วเขาจะมาตบตีเราได้ยังไงแต่พอไปไปเป็นแฟนเขาเข้าแล้วทีนี้แทนที่เขาจะมากราบเราก็าจะมาบังคับให้เราไปกราบเขาเลยถ้าไม่กราบแล้วไม่กราบเขาเขาว่าจะทุบตีเราสิเนี่ยเรามองไม่เห็นตรงนี้มองไม่เห็นการพลิกผันการเปลี่ยนแปลงของคนของสิ่งต่างๆมันไม่มีอะไรที่แท้แน่นอนเหมือนเดิม มันต้องมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสือ่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ion. อันนี้คือปัญญาต้องพยายามมองให้เห็นทุกอย่างที่เราอยากได้ว่ามันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากดีเป็นไม่ดีไปถ้าเราเห็นว่ามันจะไม่ดีเราก็จะได้ไม่ไปอยากได้มันมาได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องทำให้เราทุกข์ถ้าเราเห็นทุกอย่างว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องหมดเราก็ไม่มีความอยากได้อะไรต่อไป เมื่อไม่มีความอยากใจเราก็จะสงบจะนิ่งเฉยเป็นก้อนหินไปจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งสิ้นจะมีแต่ความสุขที่เกิดจากความนิ่งเฉยไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เรามาวัดนในวันพระกันเรียนรู้วิธีไปขึ้นรางวันแล้วก็พอรู้แล้วก็ต้องไปขึ้น ต้องไปเืศีลแปดต้องไปฝึกนั่งสมาธิไปฝึกสติไปควบคุมความคิดให้ได้หยุดความคิดให้ได้ให้ใจรู้เฉยๆรู้แบบไม่ต้องคิดเห็นอะไรก็รู้เฉยๆอย่าไปคิดว่าดีไม่ดีพราะถ้าคิดว่าดีก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาคิดว่าไม่ดีก็เกิดความนังเกียดอยากจะอยากจะหนีมันไปอยากจะให้มันหายไป แต่ถ้าไม่คิดก็จะเฉยๆอยู่กับมันได้ดีไม่ดีก็ช่างหัวมันเราก็อยู่กับมันไปรู้เฉยๆนี่คือวิธีฝึกจิตใจใหม่ให้จิตใจเราเฉยด้วยการไม่คิดว่ามันดีหรือไม่ดีให้มันรู้ว่ามันก็เหมือนกันทุกอย่างมันมีทั้งดีไม่ดีสลับกันไปมันดีแล้วเดียวมันก็สลับเป็นไม่ดีมันไม่ดีแล้วเดียวมันก็สลับเป็นดีะ สิ่งที่ไม่ดีพอมันจากเราไปมันก็ทำให้เราสบายสิ่งที่ไม่สิ่งที่ดีพอมันจากเราไปมันก็ทำให้เราไม่สบายสิ่งที่ไม่ดีเวลาอยู่กับเรามันก็ทำให้เราไม่สบายพอมันจากเราไปมันก็จะทำให้เราสบายังนั้นกอยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกันดีหรือไม่ดีมันก็ต้องทำให้เราไม่สบายแล้วเดี๋ยวมันก็ทำให้เราสบายเราไม่ต้องไปทำอะไรเราเฉยเฉย แต่เราเฉยๆแล้วเราจะไม่เดือดร้อน<ม>เราจะอยู่กับมันได้<ม>นี่คือเรื่องของการมาฝึกฝนอบรมจิตใจมาศึกษาวิธีทำใจให้นิ่งเฉยให้เป็นเหมือนก้อนหิน<ม><ม>เวลามีอารมณ์อะไรมาสัมผัสมากระทบกับใจก็จะไม่ไม่หวั่นไหวจะไม่ปลิวไปเหมือนใบไม้อันนี้ใจเราเบามากเป็นเหมือนใบไม้ เวลามีอะไรกระทบหน่อยไปแล้วอารมณ์เสียละใครพูดอะไรไม่ดีหน่อยเท่านั้นก็เสียใจละใครทำอะไรหน่อยไม่ถูกใจก็เสียใจหุดหยิดลำคาญใจเพราะใจเราไม่นิ่งเฉยใจเรามีแต่ความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้มีอย่างนั้นมีอย่างนี้พอไม่มีไม่เป็นก็หุดหยิดลำคาญใจขึ้นมา เพราะเราไม่เคยฝึกใจไม่เคยควบคุมใจให้นิ่งเฉยไม่ควบคุมความอยากปล่อยให้ความอยากมาเป็นตัวฝั่นใจเราให้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลานี่คือเรื่องของวันพระถ้าถ้าเรามีวันพระทุกอาทิตย์แล้วเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเรามาปฏิบัติธรรมนี่รับรองได้ว่าต่อไปจิตใจของเรานี้จะสงบจะเย็นจะสบายจะไม่วุ่นวายไปกับใคร จะไม่อยากได้อะไรเพราะรู้ว่าได้แต่ความวุ่นวายมามีอะไรก็ต้องวุ่นวายกับสิ่งที่เราได้มามีแฟนก็ต้องวุ่นวายกับแฟนมีลูกก็ต้องวุ่นวายกับลูกมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็ต้องวุ่นวายกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรต้องมาให้เราวุ่นวายแต่เราอยู่แบบไม่มีไม่ได้เพราะเราไม่มีความสุขในใจเราเราเลยต้องไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุข ได้ความสุขแล้วก็ได้ความวุ่นวายใจแถมมาด้วยแต่ถ้าเรามาฝึกทำใจให้เรามีความสุขทำใจแล้วใหเรานิ่งเฉยได้เราก็ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้เรามีความสุขเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่แล้วความสุขใจนีดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าเรามีความสุขใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปมีอะไรมาให้ความสุข เมื่อเราไม่มีอะไรให้ความสุขเราก็ไม่มีอะไรมาให้เราวุ่นวายใจอยู่กับความว่างได้อยู่กับความไม่มีอะไรได้แต่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องมีแฟนต้องมีเงินทองต้องมีอะไรต่างๆให้ความสุขกับเราพอมีแล้วก็ต้องวุ่นวายเพราะเราต้องคอยดูแลรักษามันแล้วรักษาไงดูแลเงเดี๋ยวก็ต้องจากกันอยู่ดีไม่จากตอนเป็นก็ต้องจากตอนตายอยู่ดี ดัง น, นพยายามมาฝึกจิตกันดีกว่ามาทําจิตให้สงบทําจิตให้นิ่งทําให้จิตมีความสุขแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆอย่างที่เรากําลังวุ่นวายกันอยู่ขณะ น, นี้นี่ก็คือเรื่องของหน้าที่ของชาวพุทธเราที่พระพุทธเจ้าได้มอบไว้ให้กับชาวพุทธเราให้เรามาศึกษาวิธีไปขึ้นนังวันของพระพุทธศาสนา ตอนนี้เราถูก tery, ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันแล้วได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปได้พบได้มีโอกาสได้ไ ด, ได้รับพระนิพพานมาเป็นรางวัลพระนิพพานาก็คือจิตใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากจิตใจไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเรียกว่าพระนิพพาน จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามาศึกษาและก็ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้เรามาเลิกหาความสุขทางร่างกายกันแล้วมาสร้างความสุขทางใจกันโดยการถือศีลด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิด้วยการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นความทุกข์เพราะมันเป็นความสุขชั่วคราว ถ้าเราทำได้ต่อไปใจของเราก็จะมีความสุขในตัวเองจะไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปศึกษาไปพิพจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขที่จะตามมาเพื่อความดับของความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากรัมเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปกัรปฏิอิทิตังปฏีตังตุมหังคิปปเมวะสมิจตโสัพเพปุเรนตุสังกปา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 ตารมาวะทอายุวนโน่านหนังสือธรรมะนี่ก็เหมือนกับการฟังเทศฟังธรรมหนังสือก็เป็นธรรมะคำสอนที่ได้แสดงไว้แล้วก็มาจดบันทึกไว้เป็นตัวหนังสืออะไ อ่านหนังสือทำฟังเทศก็เหมือนกันได้ความรู้เหมือนกันจ ะ, ะต่างกันตรงที่ฟังมันง่ายกว่าอ่านแต่อ่านมันดีกว่าเพราะถ้าตรงไหนไม่เข้าใจก็อ่านซ้าได้แต่ถ้าฟังนี่มันผ่านไปแล้วก็มีประโยชน์คนละแบบกันถ้าฟังเทศมันสบายกว่ามันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ่านเพงแต่เราตั้งใจฟัง แต่ถ้าฟังไม่เข้าใจมันก็ผ่านไปเลยแต่ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจกลับไปอ่านใหม่ได้กลับไปอ่านหลายๆรอบเดี๋ยวก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาได้งนั้นก็มีประโยชน์ต่างกันแต่การอ่านนี้ต้องใช้สมาธิมากใช้สติมากกว่าต้องควบคุมใจให้อยู่กับการอ่านไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่การฟังนี้มันง่ายกว่าเพียงแต่บงังคับควบคุมให้มันฟังเฉยๆยนั่นเอง ก็ได้สองรูปแบบสมัยก่อนไม่มีไม่มีหนังสือต้องอาศัยการฟังเป็นหลักสมัยพระพุทธเจ้านี่คนส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออกต้องต้องอาศัยการฟังแล้วก็จดจํามาท่องกันสมัยนี้เรามีทั้งสองอย่างฟังก็ได้อ่านก็ได้ฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้ ถ้ายุถ้าพระพุทธเจ้าเกิดในยุคนี้คงมีคนติดตามเฟซบุ๊กเป็นพันล้านคนนะมีผู้ติดตามเป็นพันล้านเลยทั่วโลกนะเลยเสียดายนะเกิดคนละยุคนะอยากให้พุทธเจ้ามาเกิดในยุคนี้แนละ้วกันอยากให้ท่านมีเฟซบุ๊กมียูทูบบ้างนี่พระอรหันต์จะมีไปทั่วโลกเลยนะฟังทำปั๊บก็บรรลุธรรมเลยะ ธรรมพุทธเจ้ามีพลังมากฟังแล้วคนเข้าใจง่ายเข้าถึงใจคนได้ได้ถึงถึงแก่เลยคนสมัยพุทธกาลนี่ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็บรรลุ ก, กันเป็นพระอาหารหันต์กันเยอะแยะไปหมดหลักที่ท่านมีนี่เป็นพลังของสติไหมครับอาจารย์เป็นความรู้เป็นความเป็นความคล้ายๆเหมือนการวาดภาพที่ให้คนดูภาพแล้วเห็นเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เวลาเราพูดนี่ก็เหมือนกับการวาดภาพแต่บางทีคนพูดเนี่ยพูดไม่เป็นวาดภาพแล้วมันมันไม่ชัดเนะ่ยฟังแล้วไม่เข้าใจแตถ้าพระพุทธเจ้าพูดนี่ฟังปั๊บเข้าใจเลยขนาะองค์ุลิมานฆ่าคนมาต้องฆ่าร้อยเกสิบเคนยังสอนให้หยุดฆ่าได้ยังสอนให้เป็นพระอรหันต์ได้เพียงแต่พูดคําที่มันไปแทงใจองค์คุลิมาองค์คุลิมา น, นี่คิดว่าจะบัตุธรรมต้องฆ่าคน พระพุทธเจ้บอกต้องหยุดไม่ใช่ไปฆ่าถ้าจะฆ่าต้องฆ่ากิเลสพอบอกนี้กองกุลิมาลก็เข้าใจอ๋อไปฆ่าผิดที่ไปฆ่าคนอไปฆ่าคนบาปแต่ถ้าฆ่ากิเลสไม่บาปฆ่ากิเลสแล้วจะเป็นให้ให้เป็นพระอรหันต์ได้คราวนี้แกาก็เข้าใจแกก็เลยเลิกฆ่าคนแล้วกลับมาฆ่ากิเลส พอฆ่ากิเลสปั๊บไม่ไม่ทายก็บรรลุได้แนละ้วต้องบอกเป้าเหมือนคนที่คอยชี้เป้าให้เรายิงแต่คนชี้เป้าไปยิงไปชี้ที่มันไม่ใช่เป็นเป้ายิงไปมันก็ไม่ถูกเป้านะคนชี้เป้านี่สําคัญเนี่ยพระพุทธเจ้านี่เป็นเหมือนคนชี้เป้าบอกศัตรูของเราอยู่ที่ไหนกันแนะ่ใครคือศัตรูของพวกเราศัตรูของพวกเราก็คือกิเลสตัณหา ความโลภความอยากต่างๆความโกรธความหลงเนี่ยเป็นตัวศัตรูของเราเราต้องฆ่าตัวนี้ไม่ใช่ไปฆ่าคนนู้นคนนี้ใครทําทให้เราโกรธก็ไปฆ่าคนนั้นเราจะทําให้เราหายโกรธไม่ใช่ทําทําเรายิ่งโกรธใหญ่ยิ่งทุกข์ใหญ่ไม่ใช่ทุกข์จะดับป้องไปฆ่าคนเองอยากจะให้ทุกข์หายจากความโกรธก็หยุดความโกรธเลยพอหายโกรธปั๊บก็หายทุกข์ใช่ไหอ เกิด ค, คนฉลาดคนที่รู้ความจริงก็จะสอนความจริงได้ถูกต้องคนที่ไม่รู้ความจริงก็สอนแบบเดาไปน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ก็คนฟังก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนจะถูกจะผิดเลยก็เลยไม่มีความมั่นใจเหมือนคนบอกทางว่าไปเชียงใหม่ไปทางไหนเขาบอกไปทางนี้ม่ไปทางนู้ น, ไ, น, น, ไ, น, นไม่รู้เหมือนกันลองลองดู กาอย่างนี้มันก็คนฟังแล้วก็มันฟังแล้วมัน ม, มันก็ไม่รู้จะไปทางไหนดีแต่ถ้าคนรู้ทางบ อ, อกไปตรงนี้สิตรงไปเลยเดี๋ยวเดียวก็ถึงเราก็บอกอย่างนี้เราเดินตามก็ไปปั๊บเดี๋ยวก็ถึ ง, งนี่คือปัญญาความรู้ <c oughs> ความมั่นใจวันนี้ทาง facebook เ, เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ facebook สูงสุดสามร้อยสี่สิบเ็ดค่ะ y o u t u มีหนึ่งร้อยีสิบสองวิทยุสิบเอ็ดอิน m ตาแกรมสี่ค่ะแล้วก็ไลายเป็นห้าพันหก้อยเก้าสิบสามค่ะอันนี้อ n s t a g r a m มก็ถ่ายทอดสดอยู่นะคนไม่ค่อยเล่นกันนะตอนนี้มีมีคนติดตามแค่หน่งสองพันหนึ่งร้อยกว่าคนในอ n s t a g r a m มเลยอันใหม่เลยอันใหม่ครับอันเก่าใช่ไม่ได้นล้นนะพารเวิร์ดหายไปเข้ากัไม่ได้ ไม่ทราบหายไม่ได้ไงคนขโมยไปนะออินสตาแกรมมันตรงเนี้ยฮะที่ที่มันจะอันตรายเพราะว่าถ้าเขาแฮกถ้าเขาแฮกเราได้เนี้ยเขาจะดึงเขาดึงไปทั้งหมดเลยดึงไปทั้งหมดเลยเราเข้าไม่ได้เลยครับนี่คิดว่าที่ที่เราดึงกลับมาแปดร้อยแปดร้อยคนเนี้ยกลับมาแล้วก็อามาเพิ่มอีกเอ่าใครตามอินสตาแกรมเก่าอยู่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นอันใหม่เนี่ยเปลี่ยนเป็นอันใหม่อ่อันใหม่ก็เสิร์ฟได้ใช่ไหมใช่ได้ครับสได้ สพชรนะครับพชรเออันนี้มีคําถามจากต่างประเทศมหม <c oughs> ยังไม่มีอะมีคําถามฝากถามเลยคําถามฝากถามจากผู้ฝากถามค่ะน้องชายมีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยู่ไปทําไมชีวิตมันน่าเบือ่อตอนนี้เขาดูแลพ่อแม่ที่ป่วยอยู่คนเดียวจะบอกกับเขาอย่างไรดีคะ เขารู้สึกว่าชีวิตเขาล้มเหลวแต่เขาเขอบอกกําลังจะหาวิธีที่ทรมานน้อยที่สุดอยู่ค่ะ อ, อ๋อก็อย่างที่บอกไปฆ่าผิดที่ไงฆ่าตาฆ่าตัวตายความเบื่อมันก็ไม่หมดต้องไปฆ่าความเบือ่อฆ่าต้นเหตุของความเบือ่อต้นเหตุของความเบื่อก็คือความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้มันก็เบือ่องั้นหยุดความอยากแล้วมันจะหายเบือ่อ วิธีที่จะหยุดความอยากก็เนี่ยต้องมาพุโทโธพุโทโธมาฝึกสติกันจเจริญสติหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ใจสงบแล้วจะหายเบือ่อแล้วใจจะมีความสุขจะอยากอยู่กับพ่อกับไปกับแม่ไปนานๆอยากจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไปนานๆเพราะอยากจะทดแทนบุญคุณของพ่อแม่เพราะไม่มีใครจะมีพระคุณกับเรามากเท่ากับพ่อกับแม่ ตอนนี้มันคิดไม่เป็นความเบื่อมันทำให้คิดกับตาลปัดไปหมดเราต้องมาแก้กความเบื่อแล้วการฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้เป็นการแก้กความเบื่อฆ่าตัวตายความเบื่อก็ยังอยู่เดี๋ยวกลับมาเกิดใหม่ก็เบื่อเหมือนเดิมอีกเพราะตัวที่ทำให้เราเบื่อก็กคือความอยากอยากได้อะไรแปล ก, กใหม่ๆต้องอยู่กับของเก่าๆจำเจมันก็เบื่อใช่ไหมให้เรากินอาหารจำเจเนี่ยกินไปเรื่อๆยๆไข่เจียวทุกวันนี่เบื่อไหม มันก็เบื่อแต่ถ้าเราไม่มีความอยากจะไปกินอย่างอื่นไข่เจียวก็กินได้เชื่อไหมวิธีจะทําให้กินไข่เจียวได้ทุกวันทำไงรู้เป่าก็ถ้ามันเบื่อก็อย่าไปกินมันเลยอดมนันสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันหิวอะไรก็น่ากินทั้งนั้นอ่ะเชื่อไหมข้าวเปล่ า, ายังอร่อยเลยเวลาอดข้าวสักสองสามวันนี่เห็นข้าวเปล่าๆไม่มีกับข้าวนี่ยังอร่อยเลยอ่ะนี่คือ กิเลสมันหลอกล่อเราอยู่เรื่อยๆมันไม่ชอบของจำเจมันชอบของแปลกๆใหม่ๆอยู่เรื่อยๆพอได้ของแปลกๆใหม่ๆมาเดี๋ยววก็เบื่ออีกละเพราะมันจำเจอีกลมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่คือกิเลสความอยากอยากได้ของแปลกๆใหม่ๆของเก่าแล้วเบื่อวิธีที่จะแก้ความเบื่อก็หยุดความอยากนีเสียหยุดความอยากมาทา สมาธิมาพุโทโธมาพุโทโธมาเดินจงกรมนั่งสมาธิหยุดความคิดให้ได้หยุดความอยากให้ได้แล้วความเบื่อมันจะหายไปถ้าไม่แก้วิธีนี้ต่อให้ข่าตัวตายกี่ร้อยครั้งก็จะหนีไม่พ้นความเบื่อกลับมาก็เจอความเบื่อเพราะต้นเหตุของความเบื่อไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนะต้นเหตุของความเบื่ออยู่ที่ใจอยู่ที่ความอยากอยากได้ของแปล ก, ปกใหม่ๆเรื่อยๆงั้นเราต้องใช้วิธี ถูกต้องถ้ามันเบื่อก็อย่าไปกินมันสิไม่ไม่กินสักพักเดี๋ยวมันก็อยากกินขึ้นมาเอง อ, ะอ่ะเบื่อคนนี้ก็อย่าไปเห็นหน้าเขาสักพักเดี๋ยวเดี๋ยวก็คิดถึงเขาขึ้นมาเองอะ่ะไม่ต้องไปฆ่าตัวตายหยุดความเบื่อมาฝึกทำใจให้สงบใจสงบแล้วอารมณ์ต่างๆจะหายไปหมดความเบื่อก็คือความชังไงเบื่อมันก็ชังขึ้นม ถ้าทำใจให้สงบความเบื่อความชังก็จะหายไปความรักความชังความกลัวความหลงจะหายไปหมดนี่นี่คือวิธีแก้ปัญหาทั้งหมดแก้ด้วยการทำใจเราให้สงบให้นิ่งอย่าคิดอย่าอยากแล้วปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในใจจะหายไปหมดใจจะว่างจะเบาจะเย็นจะสุขจะสบายคำถามจากคุณมะนาว เวราจิตนิ่งเห็นแสงสว่างจ้าแล้วให้ทําวิปัสสนาได้เลยหรือเปล่าครับยังหรอกแสงสว่างนี้ยังไม่สงบพอต้องให้มันนิ่งสงบให้มันใจ เ, เฉยเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วก็มีความสุขอย่างยิ่งออตอนเห็นสว่าเห็นแสงสว่างนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองยังไปไม่ถึงเป้าหมายต้องพุทโธต่อไปหรือดูลมหายใจต่อไป จนกวมันจะวุบลงไปเหมือนตกหลุมตกบอ่อแล้วก็นิ่งสงบแล้วก็เบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจแล้วก็ไม่รู้สึกราคาญใจกับอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละถึงจะได้ความสงบแล้วพอได้ความสงบแล้วก็ยังไม่ต้องวิปัสสนาวิปัสสนานี่ยังไปอีกไกลตอนนี้เรายังกําลังคลานอยู่ยังหั ด, หดยืนหัดเดินอยู่ยังวิ่งไม่เป็นตอนนี้หัดคลานหัดยืนหัดเดินให้ได้ก่อน พอเรายืนเดินได้แล้วค่อยไปหัดวิ่งต่อไป ว, วิปัสสนาก็คือวิ่งมาราธอนก่อนจะไปวิ่งมาราธอนได้นี่ต้องยืนให้ได้ก่อนตอนนี้กำลังคลานอยู่ตอนที่ไม่มีสติไม่มีสมาธินี่เป็นเหมือนเด็กที่กำลังคลานอยู่ต้องฝึกสติให้ได้ถ้าได้สติก็เหมือนกับยืนได้พอยืนได้ก็หัดเดินก็นั่งนั่งให้นิ่งจิตให้จิตรวมเป็นสมาธิก่อน พอจิตรวมเป็นสมาธิแล้วเดินได้อย่างชํานาญแล้วเดินแล้วไม่ล้มแล้วทีนี้ค่อยไปหัดวิ่งต่อไปวิปัสสนาต่อไปฉะนั้นขั้นตอนนี้หัดฝึกสมาธิให้เก่งก่อนให้ชํนานาญให้เข้าสมาธิได้ทุกเวลานั่งปุ๊บก็เข้าได้เลยไม่ใช่นั่งาแล้วก็พุโทโธไปครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เข้าสัทีอย่างนี้เรียกว่ายังไม่ชํานาญเรานั่งแบบพุโทโธสองสามทีวุบเข้าไปเลย หรือไม่ต้องใช้พูดโทเลยเพียงแต่สั่งให้มันหยุดคิดปั๊บมันก็หยุดไม่ให้มันคิดปั๊บมันก็หยุดได้เลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าชำนานถึงจะถือว่าเดินเก่งถ้าเดินเก่งแล้วทีนี้ก็ามาค่อยมาหัดวิ่งค่อยมาพิจารณาวิปัสสนาต่อไปและเวลาจะพิจารณาวิปัสสนาก็ไม่ใช่เวลาที่เรานั่งสมาธิแต่เานั่งสมาธิเป็นเวลาที่เราต้องการที่จะพักจิต เป็นเวลาพักผ่อนหลับนอนของจิต <evet. S 1> เวลาจะทํางานต้องรอให้ตื่นออกตื่นก่อนแล้วรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วค่อยออกไปทํางาน <tecnología> วิปัสสนานี้เป็นการทํางานของจิตเหมือนกับเราทํางานเราไปทํางานก่อนจะเราไปทํางานแล้วก็ต้องพักผ่อนหลับ น, นอนกินข้าวตื่นขึ้นมาก็ต้องกินข้าวอาบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวถึงจะพร้อมไปทํางานพอทํงางานเหนื่อยแล้วเราก็กลับมาบ้านมาพัก พัหลับนอนใหม่เนี่ยจิตของเราก็เหมือนกันเวลาเราคิดแล้วก็เราก็ทำงานพอเราเราต้องการจะพักจิตเราก็ต้องหยุดคิดเนี่ยเวลาคิดนี้เป็นการทำงานเวลาพักผ่อนนี้ต้องไม่คิดใ น, นเวลาเรานั่งสมาธินี่เป็นเวลาที่เราพักผ่อนจิตใจตอนนั้นอย่าไปคิดทางปัญญาอย่าไปวิปัสสนาเราให้จิตใจออกจากสมาธิก่อนพอมา ออกจากสมาธิแล้วมาคิดก็เอามาคิดทางวิปัสสนาคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราให้คิดอย่างนี้ไปเพื่อจะได้ตัดความอยากเลิกความอยากได้คํถาถามจากคุณสัญชัยทํำยังไงให้ใจเราไม่ทุกข์กับการอกหักมันเศร้ามันนึกถึงแต่ภาพเก่าๆแล้วน้ำตาก็ไหลทําไมมันทุกข์ทำไมทรมานจังครับก็เพราะว่าเราอยากให้เขากลับมาไง อยากให้เหมือนเดิมอยากให้ได้มีมีความสุขเหมือนกับตอนที่เขาอยู่กับเราเราก็ไม่อยู่กับเรามันก็ทำให้เราทุกข์นันเราก็ต้องใช้สองอย่างตอนวิธีแรกก็คืออย่าไปคิดทุกครั้งที่จะคิดลงคิดพุทโธแทนต้งพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปจนกว่าเราจะลืมเรื่องที่ทำให้เราทุกข์เนี่แล้วพอเราหายทุกข์หายทุกข์แล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่านี่แหละเวลาอยาก มีแฟนก็จะต้องเจอความทุกข์แบบนี้แหละเพราะว่าความสุขที่ได้จากแฟนมันชั่วคราวมันไม่ถาวรวันดีคื้นดีพอเขาจากเราไปเราก็จะต้องทุกข์ขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่เราไม่อยากจะทุกข์มันก็ทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาจากเราไปเขาจากเราไปแล้วเราก็ยังอยากจะให้เขากลับมาพอเขาไม่กลับมาเราก็เลยทุกข์นี่คือเรื่องของ วิธีแก้ความทุกข์ใจต้องสอนใจวอนนี้ถ้าใครไม่มีแฟนอยากจะมีแฟนก็รีบสอนใจวันนี้เห็นไหมคนที่มีแฟนเนี่เห็นเขาคิดว่าเขาสุขเอเขาสุขแต่สุกเดี๋ยวเดีย ว, ยวสุขสุกต้นเดี๋ยวก็นำมาทุกตอนปลายทุกตอนที่ต้องมีการจากกันทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันจากกันไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนถาวรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวใคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้เข็ด กลัวกลัวกับความทุกข์ที่เราจะได้จากการไปหาคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราถ้าทุกข์แล้วตอนนี้ก็พยายามหยุดคิดอย่าไปคิดถึงถึงเขาอย่าไปอยากให้เขากลับมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวใจก็ลืมได้พอลืมแล้วก็จะหายทุกข์ถ้าทุกข์อีกก็พุโทโธไปอีกแล้วก็สอนใจว่าต่อไปนี้ไม่เอาแล้วให้รู้จักเข็ด เดี๋ยวไม่ใช่พอหายทุกปับ๊บก็เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็เจอคนใหม่ก็อยากจะได้ก็มาเป็นแฟนอีกคนเราขี้ลืมนะทุกเท่าไหร่นี่เดี๋ยวพอเจอของใหม่ขึ้นมาก็หายลืมเลละอยากจะได้อีกละที่อยากเพราะว่ายังไม่มีความสงบนั่นเองอยันมาพุโทโธพุโทโธทำใจให้สงบดีกว่าให้ใจมีความสุขในตัวเองแล้วก็จะไม่อยากได้อะไรคาถามจากคุณตุ้มตุย้ย การชื่นชมในคำสอนและความสามารถของครูบาอาจารย์ด้วยความจริงใจเป็นการสมควรหรือไม่หรือควรเก็บไว้ในใจเพราะยงเข้าใจว่าเราไม่ควรอยู่ในฐานะที่จะไปติชมท่านคือเรื่องของคนอื่นเขาเนี่ยเขาจะดีเขาจะเชื่อก็เป็นเรื่องของเขาขอให้เรารู้เฉยๆก็พอรู้รู้ว่าเขาดีรู้ว่าเขาไม่ดีอะ ถ้าเขาดีแล้วก็พยายามทําตัวเราให้เหมือนเขาเอาเขามาเป็นตัวอย่างถ้าเขาไม่ดีเราก็อย่าเอาเขามาเป็นตัวอย่างนี่คือการดูคนอื่นให้ดูแบบนี้ไม่ต้องไปยกย่องสนเสริญเยินยอต่อหน้า ต, ต่อตาเอาอกเกาใจเขาหรอกคือให้รู้เฉยๆรู้ว่าเขาดีอย่างเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าดีเราก็ศรัทธามีความเคารพนับถืออแค่นี้ก็พอ คำถามจากคุณประภยัยศรีหลวงพ่อเจ้าคะเวลาโยมนั่งสมาธิจะมีความว่างอยู่นาน3ามสี่ชั่วโมงไม่หลับนะคะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดแต่ไม่เดินปัญญาเลยค่ะขอคําแนะนําด้วยค่ะ เ, เวลานั่งไม่ให้เดินปัญญาจะเดินปัญญาต้องออกเวลาออกมาจากการนั่งแล้วก็เดินได้ตลอดเลยเห็นอะไรก็บอกไม่เที่ยงนะ เห็นแฟนก็บอกไม่เท so. ี่ยงนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็ต้องทิ้งเราไปนะก็ต้องจากเราไปเห็นลูกก็บอกว่าไม่เที่ยงนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นั้นเราก็ต้องจากเขาไปเห็นอะไรมีอะไรก็สอนว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงนี่เรียกว่าเป็นการเดินปัญญาทําไมเราต้องเดินปัญญาเพราะถ้าเราไม่เดินเราจะคิดว่าเที่ยงเราจะลืมแล้วเราจะไปคิดว่าเขาจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่มีวันจากเราไป พอเวลาเขาจากเราไปเราก็จะเสียใจทุกใจแต่ถ้าเราคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยไม่เที่ยงไม่เที่ยงพอเขาจากเราไปเราก็จะไม่เสียหลักไม่เสียใจเพราะเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเขาต้องจากเราไปเราก็เลยเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ได้นี่คือปัญญาต้องเดินตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิคำ ถ, ถามจากคุณมาริกา เมื่อวานไปเที่ยวนครปฐรมแวะไหว้พระทำบุญช่วงกวดน้ำมีน้ำเตรียมไว้ให้ตอนเทน้ำมีมดออกมาเต็มตอนแรกชะงะแต่พระสงฆ์สวดอยู่เลยตามเลยตอนพรมน้ำมนต์รู้สึกดีปรับลืม อ, อิ่มมีความสุขแต่พอกลับขึ้นรถไปรู้สึกนึกถึงมดที่ลอยอยู่ในที่เรากวดน้ำเพราะมันตายแน่นอนไม่สบายใจ ว่าเราเป็นคนทำให้มันตายนี่คือบาปที่สัมผัสได้ใช่ไหมคะใช่คำถามจากคุณละวันดิฉันเคยได้ยินว่าทำตัวให้เป็นคนทำตัวให้เป็นมีดที่คมคมหมายความว่าอย่างไรครับจะต้องตัดอะไรให้ขาดบ้างก็ตัดกิเลสตัดความโลภโกรธหลงตัดความอยากต่างๆเราจะคมได้เป็นเหมือนมีดที่คมก็คือต้องมีปัญญา ต้องเห็นตายรักต้องเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงเราก็จะไม่อยากได้เพราะได้มาแล้ว เ, เดี๋ยวต้องเสียไปก็อย่าเอามันดีกว่าได้แฟนมาสองวันแล้วท้องตายจากเราไปดีไหมแต่งงานกันไม่ได้กี่วันก็ตายจากเราไปถ้าเรารู้ว่าเขาจะต้องตายจากเราไปเราจะไปแต่งงานกับเขารป่าไม่แต่งใช่ ไ, ไ ม, มนั่นแหละเพราะเรารู้ว่าเขาไม่เที่ยงแต่เรามักไม่รู้กันนีไไ่ยคยาแต่งนแล้วจะอยู่กันไปจนวันตาย คือเราต้องตายก่อนเขาแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปย่างนั้นให้คิดว่ามันไม่เที่ยงมันทำให้เราทุกข์เวลามันไม่เที่ยงแล้วเราห้ามมันให้เที่ยงไม่ได้สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้มันจะจากเราไปเมื่อไหร่เราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้นี่คือปัญญาถ้าเห็นทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา <S <S เราก็จะไม่อยากไดเ้เราก็จะตัดความอยากได้ตัดความโลภตัดความโกรธตัดอะไรได้หมด ความโกรธก็เกิดจากอะไรความโกรธก็เกิดจากความอยากเรานี่แหละใช่ไหมเวลาเราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากเราเป็นยังไงโกรธไหมเวลาอยากให้แฟนพาเราไปเที่ยวก็บอกไม่ไปละขี้เกียจนอนดีกว่าเราก็โกรธเขาละแต่ถ้าเราไม่มีความอยากไปเที่ยวเขาไม่พาเราไปเที่ยวเราก็ไม่โกรธเขาความอยากนี่แหละเป็นตัวที่เราจะต้องตัดเราจะตัดได้ก็ต้องตัดด้วยปัญญาต้องเห็นว่าความสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ เพราะสิ่งที่เราอยากได้มามันไม่เที่ยงเราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้นี่คือการทําตัวให้เราแหลมคมฉลาดแหลมคมด้วยปัญญาด้วยการเห็นใจรักษณด้วยการเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากแล้วเราก็จะตัดความอยากตัดกิเลสความโลภต่างๆได้ไปหมดคําถามจากผู้ฝึกถามค่ะ หนูมีแม่ซึ่งไม่ใช่แม่จริงๆแต่เขาเก็บหนูมาเลี้ยงซึ่งต่อมาเขาย้ายไปอยู่เมืองนอกเขาก็เลยให้หนูย้ายไปอยู่กับยายที่บ้านนอกจนโตหนูก็เรียกยายที่บ้านนอกว่าแม่เพราะไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม่ที่บ้านแม่ที่บ้านนอกเสียหลังจากนั้นพ่อแม่พี่น้องมีปัญหากันมากเรื่องทรัพสมบัติไม่แบ่งกันเพราะพี่อีกคนเป็นคนจัดกาลางมรดกที่มีอยู่ แม่ที่อยู่เมืองนอกเขาก็บอกหนึ่งว่าให้หนูพูดกับพี่สาวว่าจัดการมรดกยกเงินส่วนที่เป็นของหนูที่ได้จากการขายที่ดินที่แม่ที่แม่ยกให้ตอนนี้ยังไม่ตายค่ะให้เขาเพราะเงินส่วนนั้นถ้าไม่มีแกบอกให้แม่ที่เสียแล้วยกให้หนูหนูก็ไม่ได้ไม่นานพี่สาวที่จัดการมรดกแกยกเงินส่วนนั้นให้ คือก้อนหนึ่งหลังจากนั้นประมาณไม่ไม่ประมาณปีกว่าแม่ที่อยู่เมืองนอกแกก็โทรมาหาหนูโดยรวมฟังแล้วเริ่มมีปัญหาการเงินไม่รู้เป็นปัญหาของแกลูกหรือสามีหรือเปล่าแกแกก็บอกว่าเอาเงินไปใช้หนี้เขาและที่ได้ยินมาจากพี่สาวแกเป็นคนเล่นการพนันหลังๆมานี้หนูก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงพอคุยกับแม่ที่ มีแต่เรื่องเงินมีอารมณ์โกรธโมโหทุกที่เลยแม้แต่คนในครอบครัวทุกๆคนหนูขาดการติดต่อปิดโทรศัพท์มือถือแยกตัวปลีกออกมาได้สักพักแล้วค่ะทีนี้พอคิดได้ยังไงเขาก็เป็นแม่เพราะเขาเก็บเรามาเลี้ยงอย่างนี้ควรจะทำอย่างไรดีคะหลวงพ่อเพราะอีกอย่างพอแฟนรู้อย่างนี้เขาก็จำกัดเงินของเราแล้วตอนนี้หนูก็ไม่ได้ทางานค่ะถ้าเราช่วยเขาได้ก็ช่วย แต่ก็ต้องมีขอบมีเขตต้องมีเหตุมีผลถ้าช่วยให้เขาได้เล่นการพ น, นันนี่ก็ไม่ควรช่วยแต่ถ้าช่วยเพราะว่าเขาขาดอาหารขาดที่อยู่อาศัยขาดยารักษาโรคขาดเครื่องนุ่งห่มนี่เราก็ควรจะช่วยเขาไปตามตามสมควรตามแต่ความจาเป็นแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องช่วยเพื่อให้เขาได้เอาเงินไปเล่นการพ น, นันไปดื่มสุราเรือไปทาอะไรที่เป็นโทษกับเขา เราก็ต้องรู้จักมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลในการช่วยเหลือแล้วเราก็ต้องดูกําลังของเราว่าเราช่วยได้มากน้อยเท่าไหร่เพราะเราก็ต้องดูแลตัวเราเองด้วยถ้าเราไปช่วยคนอื่นแล้วเราเดือดร้อนเราต้องไปขอคนอื่นมาอย่างนี้ก็ไม่ถูกดะงนั้นเราก็ต้องมีส่วนที่เราจะต้องมีเก็บไว้สําหรับดูแลตัวเราก่อนเมื่อเรามีส่วนเกินเราก็เอาส่วนเกินนี้ไปช่วย ถ้าไม่มีก็ช่วยไม่ได้ก็เท่านั้นเหมือนกับสมมติว่าถ้าเราพิการตาบอดหูหนวกเราจะไปช่วยเขาได้หรือเปล่ามันก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมฉันใดถ้าเราไม่มีเงินทองพอที่จะไปช่วยเขาเราจะไปเป็นกู้หนี้ยืมสินไปไปช่วยเขามันนี้มันก็ไม่ถูกถึงแม้เขาจะเป็นพ่อเป็นแม่เรามีพระคุณกับเราอย่างไรก็ตา่างคําถามจากคุณสตอรอเบอร์รี่ค่ะ เมื่อก่อนเคยอยากได้และหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเกื้อหนุนเช่นองค์พระพิฆเนศแต่เมื่อได้มาฟังคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงรู้ว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเรารู้ว่าพระพุทธศาสนาคือสิ่งที่ดีที่สุดจะทําอย่างไรกับองค์เทพที่เราเคยบูชามาคะหนูจะผิดมากไหมคะถ้าไม่ศรัทธาอ๋อไม่ผิดหรอกเพราะว่าเราได้ข้อมูลที่ถูกต้องตอนที่เราศรัทธาเพราะเราไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก็เลยทําให้เราหลง ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็เลยศรัทธาแต่พอเราได้มาศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริงอย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็ทําให้เรารู้ว่ามันเป็นเพียงเหมือนเครื่องประดับเป็นตุ๊กตาเท่านั้นเองเราก็ไม่ต้องทําอะไรเคยตั้งไว้ตรงไหนก็ตั้งไว้ตรงนั้นต่อไปไม่เชื่อก็ไม่ต้องลบหลู่ก็แล้วกันถือว่าเป็นเหมือนเครื่องประดับไปหรือถ้าว่ามีที่ไหนเขาต้องการก็เอาไปบริจาคให้กับที่เขาต้องการไป คำถามจากคุณตาการให้เงินพ่อแม่แล้วสามารถอุทิศบุญได้หรือไม่ครับได้เป็นการทำบุญเหมือนกันทำบุญกับพออระอรหันต์เจียด้วยซ้ำไปเพราะพ่อแม่อันนี้เป็นเหมือนพออระอรหันต์ของลูกๆทำแล้วจะได้บุญมากคำถามจากแม่จากพ่อจ๋าหนูขอถามท่านว่าถ้าลูกวัยรุ่นไม่ค่อยชอบกับแม่ทั้งที่สอนเขาลูกก็ไม่อยากคุยด้วยค่ะ วิธีคิดยังไงมาสบายใจเจ้าคะก็เหมือนกับเทน้ําใส่แก้วที่มันคว่ำอยู่่ะเทเข้าไปถ้าไหลน้ํามันก็ไม่ไม่เข้าไปในแก้วคนที่ไม่สนใจที่จะฟังเราก็เหมือนกันพูดไปมันก็ไม่เข้าหูเขาเข้าหูซ้ายก็ออกหูขวาจะไม่เข้าไปในใจเพราะใจเขาคว่ำอยู่ใจเขาปฏิเสธคําสอนของเราเราก็ต้องทําใจว่าเขาไม่ต้องการคําสอนของเราเน้น ก็ช่วยไม่ได้ประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากคำสอนของเราเขาก็จะขาดไปคํถาถามจากคุณชินกรณีที่เราฆ่าสัตว์เช่นมแมลงโดยไม่ได้ตั้งใจเราบาปจะแต่จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเจ้าคะอ๋อถ้าไม่ได้ตั้งใจไม่บาปหรอกก็พยายามมีสติเวลาจะทําอะไรก็ให้ดูให้รอบครอบคิดให้รอบคอบก่อน ว่าทํำเราจะเกิดความเสียหายให้กับใครหรือเปล่าถึงแม้จะไม่มีเจตนาก็ไม่ควรที่จะให้เกิดความเสียหายเพราะผู้ที่เดือดร้อนอเขาอาจจะโกรธเราเกลียดเราพยาบาทเราได้คําถามจากคุณพระชามนถ้าต้องประเมินผลงานลูกน้องที่ต่ํากว่าเป้าหมายแต่เขาร้องไห้ทําให้เกิดจิตเมตตาและสับสนกา ข, ขอคําแนะนําด้วยครับ ก็ต้องแยกแยะว่าเราพิจารณาเหมือนเหมือาจารย์ตรวจข้อสอบของเด็กนักเรียนเน่ยไม่ใช่เพราะตรวจกําลังตรวจอยู่เด็กมาร้องให้ก็เลยให้คะแนนเต็มนี้ก็ไม่ถูกนีเรามีหน้าที่ตรวจความสามารถของเขาแล้วก็ต้องตรวจไปตามความเป็นจริงอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ถ้าเขาไม่มีความสามารถมันก็ไม่มีความสามารถก็ต้องบอกไป แต่วิธีที่เราจะปฏิบัติกับเขานี่ก็อาจจะใช้ความเมตตาได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เกณฑ์เราก็อาจจ ะ, ะเราอาจจะให้เขามีโอกาสให้เขาลองใหม่ให้เขาปรับตัวเองใหม่ให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นใหม่คือไม่ไม่ต้องไปลงโทษเขาทันทีทันใดเช่นลดเงินเดือนหรือให้เขาออกจากงานก็เหมือนกับคาดโทษเขาไว้ว่าคราวหน้าต้องประเมินใหม่นะ ถ้ายัางประเมินนะ้อยังไม่ได้ดีก็ช่วยไม่ได้นะแต่ครั้งนี้จะให้โอกาสแต่เวลาตรวจข้อสอบตรวจประเมินผลนี้ต้องว่าเป็นไปตามความเป็นจริงไม่ใช่เขาเขาไม่ผ่านแล้วเราก็ไปเขียนว่าผ่านอย่างนี้ก็เป็นการโกหกหลอกลวงคําถามจากคุณพีโกจากกรุงเทพค่ะถ้าลูกทําบุญแทนพ่อแม่โดยใช้เงินของเราเอง และใส่ชื่อผู้ทำเป็นพ่อแม่ลูกได้บุญหรือพ่อแม่ได้บุญครับลูกได้บุญเพราะเป็นเงินของลูกเป็นเจตนาของลูกการจะทำบุญนี้ต้องหนึ่งมีเจตนาความตั้งใจสองมีสิ่งที่เราต้องเสียสละไปเช่นเงินทองที่เป็นของเราถึงจะถึงจะ ถ, ถ, ถือว่าได้บุญคนที่ทำนั้นได้บุญจะใส่ชื่อของใครเขาคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเขาจะไม่รู้สึกอะไร คำถามจากคุณสายุชนสงสัยเวทนาขันคืออะไรพิจารณาอย่างไรคะเวทนาคือความรู้สึกที่เรารับผ่านทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาปวดท้องนี่ก็เรียกว่าทุกขเวทนาเวลาหายปวดท้องก็เรียกว่าสุขเวทนาเวลาไม่ปวดเวลาไม่ได้รู้สึกอะไรมันก็เรียกว่าเวทนากลางๆเช่นเวลาหิวข้าวนี่ก็เรียกว่าทุกขเวทนา เวลาได้กินข้าวอิ่มก็สุ ข, ขเวทนาเวลาไม่หิวเวลาไม่อิ่มก็เรียกว่าไม่ไมสุขไม่ทุก ข, ขเวทนาอันนี้เป็นเวทนาทางร่างกายคำถามจักคุณจิตานั่งสมาธิแล้วเหมือนนั่งอยู่ในอวกาศเลยค่ะมันโล่งสบายค่ะสงบอยู่แบบนี้มันคือเข้าสมาธิดีแล้วใช่ไหมคะก็ใช่แต่จะเข้าถึงขนาดไหนก็ยังไม่รู้นะมันอาจจะเข้าไปลึกกว่านั้นก็ได้ ถ้าลึกๆแล้วบางทีร่างกายหายไปเลยไม่รับรู้รูปเสียงกินลดต่างๆแต่ไม่หลับนะรู้สึกตัวตลอดเวลารู้ว่าเหมือนลอยอยู่ในอวกาศใจว่างใจเย็นใจสบายใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในสมาธิสมาธิก็มีหลายระดับระดับ 50% 80% รดบ้อยเปอร์ซอยู่ที่ความนิ่งความสงบมากน้อยเท่าไหร่ คำถามจากคุณนิยาพันเวลาเราเห็นการกระทำของเพื่อนที่ทําอะไรแล้วไม่ถูกต้องเห็นแก่ตัวกับคนอื่นเราไม่ไปยุ่งไม่อยากรับรู้ถือว่าเราปล่อยวางได้แล้วใช่ไหมคะใช่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาปล่อยให้เขาไปเป็นเรื่องบุญเรื่องกรรมของเขาก็สแสดงว่าเราปล่อยวางได้แต่ถ้าเราไม่ไปยุ่งแต่ใจเรายังขุนมัวอยู่ก็สแสดงว่ายังไม่ปล่อยปล่อยทางกายแต่ใจยังไม่ปล่อย ใจเราต้องว่างต้องไม่รู้สึกอะไรด้วยเขาจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาเราไม่รู้สึกวุ่นวายไปกับเขาถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปยุ่งกับเขาแต่ใจเรายังวุ่ น, นวายอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ปล่อยเต็มที่คํถาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกงานหากมีโอกาสได้ย้ายงานเนื่องจากมีที่ที่รู้จักมาชวนงานดูน่าสนใจดีส่วนที่ทํางานเก่าก็อยู่มานานเกือบสิบปีแล้วและไม่ได้มีปัญหาในการทํางาน แต่แม่แน่ใจว่าตัวเองย้ายเพราะกิเลสหรือเปล่าคะก็ต้องดูว่ามีเหตุผลที่จะย้ายหรือเปล่าเหตุผลที่จะย้ายก็คือหนึ่งมันทําให้เราดีกว่าเก่าได้เงินทองได้งานที่มั่นคงกว่าเก่าได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้ามากกว่าเก่าอันนี้ก็มันก็เป็นเหตุผลแต่มันก็ยังเป็นความโลภอยู่ถ้าเราไม่มีความโลภเราก็อยู่ที่เดิมไป ถ้าถ้าอยากจะย้ายก็แสดงว่ามีกิเลสแล้วอยากจะย้ายไปเพราะอย่างนุ้นเพราะอย่างนี้เยตุนั้นถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีความจาเป็นบังคับให้ต้องย้ายก็ไม่ต้องย้ายที่ที่ต้องย้ายอาจจะเป็นเพราะว่าบริษัทเขาจะปิดอย่างนี้นีมันอันนี้มันเป็นเหตุผลเมื่อได้เป็นความอยากถ้าอยู่ไปแล้วเดี๋ยวก็ตกงานอย่างนี้เรียกว่าเหตุผลแต่ถ้าบริษัทเขาก็ยังไม่ปิดเขาไม่มีอะไรที่จะทาให้เรามีเหตุผลที่จะต้องย้าย แต่ที่เราอยากจะย้ายเพราะเราคิดว่าเราจะได้ได้เงินเดือนดีกว่าได้มีโอกาสที่จะก้าวหน้ากว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องของกิเลสคําถามจากคุณสุริพรเมื่อคืนลูกสาวได้สวดมนต์ไหว้พระแล้วนั่งสมาธิพอประมาณยี่สิบกว่านาทีก่อนออกจากสมาธิลูกรู้ว่ามีภาพเหมือนใบพัดพัดลมที่กําลังจะหยุดหมุนแล้วภาพที่เห็นในตาสว่างขึ้นมาประมาณหนึ่ง สติก็ยังรู้ตัวดีค่ะเหมือนกําลังจะมีอะไรให้เห็นในตาแต่พอนึกถึงเวลาลูกก็ออกถอนออกจากสมาธิค่ะไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดเป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าลูกคิดเองคะอ๋อก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะในใจมันเกิดขึ้นได้ใจเราเป็นผู้คิดผู้สร้างมันขึ้นมาก็ให้รู้เฉยๆเหมือนกับมีอะไรผงเข้าตาอันี้ก็เป็นเหตุการณ์อย่างหนึ่ง เหตุการณ์ที่เกิดแล้วมันก็ผ่านไปเราไม่ต้องไปให้ความสำคัญอะไรกับมันนอกจากว่าถ้ามันอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เช่นเราไปเห็นภาพเรานอนตายอยู่อย่างนี้อันนี้มันเป็นประโยชน์มันเป็นวิปัสสนามันจะได้มาเตือนใจเราว่าต่อไปเราจะต้องตายนะมันจะทำให้เราไม่ประมาทมันจะทำให้เราปล่อยวางร่างกายได้ก็มาคิดบ่อย คำถามจากคุณชวนกลับเรียนถามพระอาจารย์ให้อธิบายให้กระผมเข้าใจเรื่องนิวรณ์คืออะไรครับแบบเข้าใจง่ายเพราะฟังพระไหล่รูปเทศบ่อยแต่ก็ไม่เข้าใจครับนิวรณ์ก็คืออุปสรรคที่ขวางกันการปฏิบัติธรรมนี่เองการทําใจให้สงบนี่เรามักจะเจอปัญหาทําให้เราไม่สามารถทําใจให้สงบได้ปัญหาอันแรกก็คือความสงสัยว่าการ พุทใช้สติพุทโธพุทโธไปแล้วจะทำให้จิตสงบได้หรือไม่ก็อาจจะสงสัยไม่ไม่มั่นใจถ้าไม่มั่นใจเราก็จะไม่อยากที่จะใช้พุทโธพุทโธเพราะเวลาใช้ใหม่ๆมันจะไม่รู้สึกอะไรจะไม่รู้สึกว่ามันจะสงบเลยเพราะว่าพุทโธมันยังมีกำลังน้อยแต่ถ้าเราทำมากๆทำบ่อยๆเดี๋ยวพุทโธมันจะออกฤทธิ์เหมือนตอนที่เราเริ่มกินยารักษาโรคภัย ข่เจ็บเวลากินแรกๆมันจะไม่รู้สึกอะไรไม่ใช่กินปุ๊บจะหายปับ๊บใช่ไก็ต้องคอยกินไปเรื่อยๆกินตามที่หมอสั่งแล้วเดี๋ยวโรคมันก็จะค่อยเบาบางลงไปแล้วก็หายไปนีนเราต้องใจเย็นวิธีที่จะแก้ความสงสัยก็ไปถามคนที่ใช้พุทธโธมาแล้วว่าได้ผลคนที่เขาได้ผลแล้วก็จะยืนยันเหมือนกับหมอที่รักษาโรคภยัยไข้เจ็บให้ของคนไข้ที่หายแล้ว ไปคุยกับคนที่เขาหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บเขาก็จะยืนยันบอกว่ากินไม่เถอดยานี่กินไปตามหมอสั่งกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หายเองแต่ไม่ใช่กินปุ๊บจะหายปับ๊บอันนี้ก็เหมือนกันการฝึกสติพุทโธพุทโธนี้ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปบ่อยๆฝึกไปนานๆแล้วเดี๋ยวพุทโธก็จะมีกําลังมากขึ้นไปแล้วเดี๋ยวต่อไปจิตก็จะสงบได้อันนี้คือนิวรความสงสัย ในการปฏิบัติว่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลจริงหรือไม่ก็ต้องไปคุยกับคนที่เขาปฏิบัติแล้วได้ผลจริงแล้วเขาจะยืนยันให้เราทราบนี่คือนิวรมีห้าข้อความสงสัยความความอยากในการอารมณ์ก็จะทําให้เราไม่อยากจะนั่งสมาธิถ้าอยากดูหนังอยากฟังเพลงมันก็นั่งสมาธิไม่ได้ เราก็ต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีหนังไม่มีเพลงให้เราดูให้เราฟังเช่นไปอยู่วัดนี่มันก็จะกําจัดความอยากดูหนังฟังเพลงได้แล้วความโกรธนี่ก็เกิดขึ้นได้เวลาเราโกรธนี่เราก็จะทําให้ใจเราไม่สามารถนั่งสมาธิได้เวลาโกรธเราก็ต้องให้อภัยคนที่ทําให้เราโกรธอะ่าไปถือโทษเขายกโทษให้เขาให้อภัย ความโกรธก็จะดับไปเรียกว่าแผ่เมตตาการให้อภัยนี้คือการแผ่เมตตาแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือความง่วงนอนความง่วงนอนก็เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปรับประทานมากห น, หนังท้องตึงหนังตาก็จะหย่อนนั่งสมาธิก็จะหลับก็ต้องผ่อนอาหารหรือลดอาหารหรืออดอาหารแล้วความง่วงก็จะหายไป แล้วอีกค้ อ, อนะึงข้อนจำไม่ไดนะ้ความอะไรความฟุง้งซ่านชอบคิดอยู่เรื่อยคิดแล้วก็ฟุง้งอันนี้ก็ต้องใช้สติพยายามใช้สติฝึกสติพุโทโธบ่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดคิดแล้วเดี๋ยวมันจะฟุง้งให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธแล้วใจจะไม่ฟุง้งใจก็จะสงบได้นี่คืออุปสรรคที่ฝังกานการทำใจให้สงบ ที่เราจะต้องกําจัดมันด้วยวิธีต่างๆตามที่ได้แสดงไว้อีกข้อหนึ่ง ข, ข้อสุดท้ายคาถามจากคุณบัญชาทำบุญกับพระที่ไม่ได้ปฏิบัติดีไม่ได้ปฏิบัติชอบจะได้บุญไหมครับได้ทำบุญกับหมาย่งได้เลยทำไมทำบุญกับพระจะไม่ได้เพราะบุญนี้คือความสุขใจถ้าเราทำแล้วเราได้เสียสละ <G ün th ong> เงินทองหรือข้าวของให้กับคนอื่นทำให้คนอื่นก็มีความสุขเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจนี้ก็เรียกว่าบุญเนื่องการทำบุญนี้ไม่ได้อยู่ที่คนรับอยู่ที่ของที่เราให้อยู่ที่ใจเราถ้าเรายินดีที่จะเสียสละเราก็ได้บุญแต่ถ้าเราไม่ยินดีเสียสละเราจะไม่ได้บุญเช่นเงินที่เราจะเอาไปทำบุญนี้ถูกขโมยไปเนี่ยเราจะไม่ได้บุญเพราะเรเราจะเสียดายเราจะเสียใจ พอเราไม่อยากจะให้ขโมยเราอยากจะให้คนที่เราอยากจะให้แต่ถ้าเราคิดว่าเงินที่เขาขโมยก็เป็นเงินทำบุญอ้าวแทนที่จะทำบุญกับพระก็ขบุยกับขโมยไปแทนกันแล้วกันเราก็จะได้บุญเหมือนกันอยู่ที่ความรู้สึกที่ใจเราบุญไม่ได้อยู่ที่ผู้รับอยู่ที่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้ที่รับหรือเปล่าถ้าทาให้ผู้ที่รับเขามีประโยชน์เขามีความสุขเราก็จะได้ความสุขกลับมา